ฉันอย่าถามได้ไหมผ่านแล้วให้มันผ่านไปถามทำไมความหลังครั้งเก่าอย่าพูวเรือฟืนหวนเกนเรื่องราวเศร้าลิ้นยายรัก น, น้ำเน่าฉันไม่เอามาใส่ใจ เธอคิดเป็นเรื่องเือสาเธอนั้นก็ไม่ควรมาเสียเวลารักฉันทำไมหาเธอรักฉันเธอนั้นจะแค่อะไรรักกันอยู่ที่ใจคุยเรื่องหม่ ฉัรักเธอเธอก็รักฉันมอบความรักมอบความจริงใจชีวิตวานชื่นสดใสถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันภาษาไดร่วมใจต่อสู้ฝ่าฟันสองเราจะสุขสันต์ Don. รักเธอเธอก็รักฉันมอบความรักมอบความจริงใจชีวิตหวานชื่นสดใสถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันปุกประสาทได้ร่วมใจต่อสู้ฝ่าฟันสองเราจะสุขสัน ควา